สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากทีวบันครับในวันนี้ชีวิตเปเรยซูตอนที่หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดนะครับเรากลับมาถึงชีวิตของเปเรยซูและคําสอนของเปเรยสรูเรื่องความกระวนกระวายพระเจ้าของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมทีบทที่หกข้อที่ยี่สิบห้านะครับเราจะอ่านตั้งแต่ยี่สิบห้าจนถึงข้อที่สามสิบสามเหตุฉะนั้นเราบอกท่านหลายว่าอย่ากระวนกระวายถึงชีวิตของตนว่าจะเอาอะไรกิน หรือจะอะไรดื่มปยาขวังกระวายถึงร่างกายของตนว่าจะเอาไรนุ่งห่มชีวิตสําคัญยิ่งกว่าอาหารนี่เลยหรือและร่างกายสําคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่มไม่่หรือจงดูนกในอากาศมันไม่ได้หวานไม่ได้เกี่ยวไม่ได้สัมสมไว้ในยุ่งฉางแต่พระบิดาของท่านทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงนูกไว้ทั้งหลายมีประเสริฐกว่านกหรือมีใครในพวกท่านโดยความโกรงกระไว้ อาจต่อชีวิตให้ยาวออกไปอีกสักสอยังได้หรือท่านกวนกระวายถึงเครื่องนมผมทำไมจงพินาดอกไม้ในทุ่ ง, งานาว่ามันงอกงามเจริญขึ้นได้อย่างไรมันไม่ทำงานมันไม่ปานได้แต่เราบอกท่านหลายว่าขสัตโุรโมนเมื่อบริบูรณ์ด้วยสงาราศีก็ไม่ได้ทรงเครื่องงามเท่าดอกไม้นี้ดอกหนึ่งแม้ว่าพระเจ้าทรงตกแต่งหญ้าที่ทุ่ ง, งานาอย่างนั้น ซึ่งเป็นอยู่วันนี้และรุ่งขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟโอ้ผู้มีความเชื่อน้อยพระองค์จะไม่ทรงตกแต่งท่านมากยิ่งกว่านั้นหรือเหตุฉะนั้นอย่ากระวนกระวายว่าจะอะไรกินหรือจะอะไรดื่มหรือจะอะไรนุ่งห่มเพราะว่าพวกต่างชาติแสวงหาสิ่งของทั้งปวงนี้แต่ว่าพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ แต่ทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของโปร่งกรแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้พี่น้องครับโภชนพระเจ้าตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อที่สาสิบสามนะครับมัทิติบทที่หกข้อสามสามเป็นข้อพรมพีที่คุ้นเคยคุ้นหูเราและหลายท่านก็คงจะท่องได้นะครับขอให้เราท่องพร้อมกันดีไหมครับแต่ท่าทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของโปร่งกร แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้เอเมนนะครับเพียงข่าวพระญาตพระเจ้าตอนนี้นะครับพวกฟาริสีย่อปีความคิดนะครับเรื่องของการอวยพรแก่พระเจ้าพวกฟาริสีเชื่อกั น, นครับว่าพระเจ้าทรงอวยพรแก่ผู้ที่พระองค์ทรงรักด้วยทรัพย์สมบัติพระเจ้าสัดกับเราครับว่าไม่ให้กรธนตยวายเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับในข้อที่ยี่สิบห้า ยินห้ากล่าวนี้ครับว่าอยา่วนกระวายถึงชีวิตของตนว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มอยา่านกระวายถึงร่างกายของตนว่าจะเอาอะไรนุ่งห่มชีวิตสาคัญยิ่งกว่าอาหารนี่ใช่หรือและร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่มนีใช่หรือสิ่งที่พระเยซูทรงเน้นก็คือว่าชีวิตมนุษย์นั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คืออยู่ข้างในครับไม่ได้อยู่ที่เปลือกนอกไม่ได้อยู่ที่เครื่องนุ่งห่มไม่ได้อยู่ที่ ถ้าทางการวางตัวภายนอกไม่ได้อยู่ที่การสร้างภาพแต่ว่าอยู่ข้างในพี่น้องครับพวกปริศในสมัยนี้ก็คือพวกที่สอนผิดครับสอนเทียนว่าผู้ที่เชื่อพระเจ้านั้นพระเจ้าจะประทานความมั่งคั่งพระเจ้าจะโปรดบุญพรด้วยทรัพย์สมบัตินะครับอย่างเดียวคนที่ไม่มีทรัพย์สมบัติแสดงว่าพระเจ้าไม่อวยพรเขาพี่น้องครับนี่คือความผิดพลาดนะครับ การสอนผิดในข้อยี่ห้าครับเราพบว่าอาหารและเครื่องนดูงหูมั้นเป็นความจําเป็นที่เป็นปกปติวิสัยของมนุษย์เป็นปัจจัยสี่นะครับอาหารเครื่องุูดหมที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคนี่เข้าไปสองในสี่แล้วครับเราไม่ต้องกระวนกระวายแม้ว่าปัจจัยพื้นฐานของเรานะครับความเป็นห่วงความเป็นกังวล น, นั้นเกิดขึ้นกับมนุษย์ที่มีความรู้สึกขาดแค้นและคิดถึงอนาคต พระเจ้าไม่ทรงปรารถนาให้สิ่งเหล่านี้เป็นหัวข้อแรกในคําอธิษฐานของเหล่าสาวกของพระองค์เลยครับพระเยซูทรงยกตัวอย่างเพื่อเป็นภาพอธิบายถึงคํำสอนของพระองค์ก็คือให้ดูลอกแนอากาศให้ดูท้องไม้ทุ่งดอกไม้ทุ่งนาครับพระเจ้าเป็นผู้อุปถัมภ์ดูแลทั้งสองอย่างแล้วพระเยซูตรัสว่าท่านทั้งหลายมีได้ประเสริฐกว่าสิ่งเหล่านี้หรือพี่ต้องให้เรามาดูนะครับในรายละเอียด เมื่อพระเยซูบอกว่าจงดูนกในอากาศมันไม่ได้หวานไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ําสมพระเจ้าทรงเลี้ยงมันไว้และพระเยซูก็ถามพวกเราว่าท่านทั้งหลายมิประเสริฐกว่านกหรือท่านหมายความว่าพระเจ้าจะดูแลนกในอากาศนะครับอย่างไรอย่างดีเลยพระเจ้าจะดูแลเรามากกว่านกในอากาศเพราะว่าเราเป็นประเสริฐกว่านกมากมายในขันเดียวกันครับ การที่เราดูท้องไม้ดอกไม้ในทุ่งนาครับในท้องทุ่งมันจเจริญงอกงามมันไม่ทํางาน ม, มันไม่ปั่นได้การปั่นได้นี้เพื่อที่จะทําอะไรครับทําเสื้อผ้าครับพระเยซูก็บอกว่ากษัตริย์โซโลมอนนั้นเมื่อบริบูรณ์ด้วยสง่าราศีก็ไม่ได้ส่งเครื่องงามเท่าดอกไม้นี้ดอกหนึ่งหมายความว่าเสื้อผ้าไม่ว่าคุณจะทํางดงามอย่างไรนะครับคุณจะใช้วิธีอย่างไรสรรพิษอย่างไร ก็ไม่งดงามเท่าดอกไม้ที่พระเจ้าได้สงรงช่างขึ้นมาพระเจ้าตกแต่งดอกไม้นี้อย่างพิถีพิถันพระเจ้าจะตกแต่งชีวิตของเราเช่นเดียวกันครับยิ่งกว่านั้นอีกมากมายพระเจ้าพิถีพิถันกับดอกไม้ดอกหญ้าดอกหนึ่งซึ่งตอนเย็นมันก็จะเหี่ยวแห้งไปแล้ววันรุ่งขึ้นก็ต้องทิ้งในเตาไฟพี่น้องครับพิธีถามว่าพรงจะทรงไม่ทรงตกแต่งท่านมากยิ่กว่านั้นหรือ ครับพี่น้องครับเห็นการย้อนกันไหมครับเมื่อพระเยซูบอกว่าให้ดูนกในอากาศนะครับพระเยซูบอกว่าเราประสริฐอว่นกแต่เมื่อพระเยซูบอกให้เราดทูท้องดอกไม้ในท้องทุ่งในทุ่ง น, นะครับพระเยซูบอกว่าโซลมอนเครื่องทรงของเขาก็มิดได้งามเท่าดอกไม้นี้เห็นการสวนทางกันไหมครับพี่น้องครับผมอยากจะบอกพี่น้องว่า ไม่ว่าจะสวนทางกันที่น้องจะเข้าใจหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่านี้สุดแล้วเยซูสรุปนะครับบอกว่าด้วยความโกวนกระวายนั้นเราไม่สามารถทําอะไรได้มากยิ่งไปกว่า น, นั้นมากที่ไปกว่าการที่พระเจ้าได้กาหนดไว้ก็คือการกําหนดชีวิตของเราความโกลงกวายนั้นไม่สามารถต่อชีวิตให้ยาวขึ้นไปอีกสักสองหนึ่งได้พี่น้องครับ เพราะฉะนั้นพระเยซูก็สรุปในข้อที่ส1มสิบเอ็ดบอกว่าเหตุฉะนั้นอย่าโกรนกระวายว่าจะอะไรกินหรือจะอะไรดื่มหรือจะอะไรนุ่งผมเพราะอะไรครับเพราะว่าในฐานะที่เราเป็นสาวกของพระเยซูเราเชื่อมั่นในการสัตย์ซื่อของพระองค์ในความรักที่พระองค์ได้ทรงประทานให้และที่สำคัญที่สุดเราอยู่ในคำสัญญาของพระเยซูในข้อที่สามสิบสาครับว่าถ้าเรา แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนพระองค์ก็จะส่งเพิ่มเติมสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตของเราได้อย่าให้เรากังวล น, นะครับถึงเรื่องจะเอาอะไรกินดื่มหรือนุ่งหม่มพระบิดาของเราผู้ทรงเสด็จในสวรรค์ทรงรู้ล่วงหน้านะครับว่าเราปรารถนาเรามีนิดอะไรบ้างและพระองค์จะส่งสนองนิดของเรา ท่านทังครับผู้ที่เข้าแไปดินสวรรค์โดยเชื่อวางใจในพระผู้องค์เดียวของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์และแสวงหาความชอบธรรมเช่นการเชื่อฟังพระดำรัสสอนในพระคัมภีร์การจัดลําดับความสําคัญให้พระเจ้ามาก่อนในชีวิตนี่คือการแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมหรืออาจจะยกตัวอย่างได้มากขึ้นก็คือการเลือกที่จะมาโบสถ์มาทิจจาแทนที่จะไปทําอย่างอื่นซึ่งเป็นกิจกรรมที่สําคัญในวันอาทิตย์ ก็แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้ามาโบสถ์ก่อนมานำพิธการก่อนแล้วจึงเข้าไปทําอย่างอื่นนี่ครับคือท่าทีและการแสดงออกที่ว่าเราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนนะครับใครก็ตามที่แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าด้วยความศรัทธาแสวงหาความชอบธรรมของพระองค์ก็คือการที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์มากกว่าที่จะได้สิ่งของมากกว่าที่จะตกแต่งด้วยภายนอก มากกว่าที่จะสร้างภาพมากกว่าที่จะทําหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อคนยกย่องจริงนั้นนะครับจะทําให้พระเจ้าได้เปิดช่องทางในชีวิตของเราเพื่อที่จะเทพระคอลงมาดีกว่าที่เราจะไปหามาใส่ตัวเราเองเพราะหาใส่ตัว เ, เองเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะจบหรกอไ่จไม่รู้จกพอจะจิมแต่เมื่อพระเจ้าเทลงมาแล้วพระเจ้าสงเพิ่มเติมแล้ว เราจะอิ่มบริบูรณ์และเราจะมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์เราจะได้การเกื้อหนุนเกื้อกูลตั้างวัตถุจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างและผู้เป็นเจ้าของเหนือกรรสิ่งทั้งหลายขอพระเจ้าอวยพรพี่นอ้องทุกท่านในวันนี้อาเมน